บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเรื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ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 มาโดยลําดับจับแต่ชาติชรามรณะขึ้นไปอาวิชาอาสวะและกำลังอธิบายในข้อที่ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของกันอย่างไรคือเป็นเหมือนอย่างลูกโซ่ที่โยงกันไปเป็นสายโซ่อย่างไร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 วิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะและต่อจากนี้กดถึงเงื่อนหรือข้อต่อ ของลูกโซ่ว่าอาจตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหรือสัมผัสผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาะตามลำดับ ในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้จึงจะจับอธิบายในเงื่อนหรือข้อต่ออันนี้ ว่าเพราะอาจตนะทั้งหกเกิดขึ้นจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะสำหรับอาจตนะทั้งหกนั่น ก็ได้อธิบายแล้วว่าในแก่อจตนะภายในทั้งหกคือตาที่เป็นเครื่องต่อรูปหูเป็นเครื่องต่อเสียงจมูกเป็นเครื่องต่อกลิ่น ลิ้นเป็นเครื่องต่อรถกายเป็นเครื่องต่อผลพระคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจเป็นเครื่องต่อธรรมะคือเรื่องราวและเมื่ออาจตนะ ทั้งหกต่อกันดังนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมผัสหรือผัสสะอันแปลว่าความกระทบผัสสะหรือสัมผัสนี้ก็มี หอันได้แก่จากขูดสัมผัสสัมผัสทางตาโสตสัมผัสสัมผัสทางหูคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกคิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น กายสัมผัสสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัมผัสทางใจในกระสุนทั่วไปได้อธิบายสัมผัสไว้ว่า คือความประชุมกันขององค์สามอันได้แก่ตนะภายในหนึ่งอจาจตนะภายนอกหนึ่งและวิญญาณอีกหนึ่งโดยที่ได้ รัดแสดงอธิบายไว้ดังเช่นในพระพุทธอ ธ, ธิบายอริยสัตข้อสมุทยัยและข้อนิโรธในสัจจปัพระข้อที่ว่าโดยสัจจะ ว่าเมื่ออาจตนะภายในกับอาจตนะภายนอกประจวบกันหรือต่อกันก็เกิดวิญญาณยกโดยอย่างเช่นเมื่อตาต่อกับรูป ก็เกิดจากหูวิญญาณความรู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็นรูปและเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัส ที่แปลว่าความกระทบกันก็คือความประชุมกันของตาของรูปและของจักคู่วิญญาณความรู้รูปทางตาคือเห็นรูปและในอาญตนะข้อต่อไปแต่ละข้อก็เช่นเดียวกัน นี้เป็นการแสดงวิถีจิตคือทางดำเนินของจิตอย่างละเอียดและเมื่อเกิดสัมผัสดังกล่าวแล้ว จึงเกิดเวทนาเกิด ส, สัญญาเกิดสังขารและวิถีจิตดังที่กล่าวมานี้ก็พึงเข้าใจว่า ตัวจิตคือตัวธาตุรูหร้หรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุโดยปกติย่อมอยู่ในภวังอันเรียกว่าภวังคจิต คำว่าพวังนั้นดังกัรอธิบายแล้วว่าแปลว่าองค์ของภพคือความเป็นซึ่งกล่าวง่ายๆว่าเป็นตัวชีวิต หรือเป็นตัวความดำรงอยู่ของชีวิตเพราะว่าทุกๆคนนี่ดำรงชีวิตยอยู่ก็เพราะกายและจิตประกอบกันอยู่เมื่อไม่มีจิต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปราศจากวิญญาตร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพกลายเป็นเหมือนอย่างท่อนไม้ก้อนหินก้อนดินแต่ความดำรงชีวิต อยู่นี่ก็เพราะกายและจิตนี้ประกอบกันอยู่จิตหรือธาตรู้นี่เมื่อยังอยู่เป็นปกติเฉยๆยังไม่แสดงอาการอะไรก็เรียกว่าพวังหรือพวังคะ เป็นองค์คือเป็นองค์คุณองค์กสสมบัติของภพคือความเป็นคือความที่ยังดำรงความเป็นภพปเป็นชาติความดำรงชีวิตอยู่ดังกล่าว จึงเรียกว่าพหวังท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นจิตที่ยังอยู่เป็นปกติเฉยๆกเ็เป็นเหมือนอย่าง บรุษที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงเรานี่เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็กระทบทางอาจตนะภายในทั้งหก หรือทางทวานทั้งหมีตาหูเป็นต้นนั่นแหละเช่นว่ามีรูปมาประจวบกับตามีเสียงมาประจวบกับหูรูปเสียงที่มาประจวบนั่น เปรียบเหมือนอย่างว่าผลมะม่วงหล่นจากต้นหล่นโตมลงมาใกล้บุรุษที่นอนหลับก็เป็นเครื่องปลุกบุรุษที่นอนหลับนั้นให้ตื่นขึ้นชันใดก็ดีจิตหรือธาตุูลนี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบ ทางทวานหรืออาจาจัะภายในดังกล่าวนั้นก็ออกจากผวังหรือเหมือนอย่างวัดตื่นขึ้นมาและก็น้อมออกไปรับอารมณ์ก็เหมือนอย่างบุรุษที่เมื่อมาม่วง หล่นลงมาเสียงมะม่วงกระทบหูก็เตื่นขึ้นก็เอื้อมมือไปหยิบมะม่วงจิตก็น้อมออกไปจับอารมณ์กิริยาที่จิตน้อมออกไปนี่แหละเรียกวันนามคำวันนามนั่น ก็มีต้นสับอย่างเดียวกับคำว่าณโมที่แปลว่าความนอบน้อมนามก็คือความนอมหมายถึงอาการที่จิตนอมออกรับอารมณ์ เช่นเดียวกับจิวิยาที่บุรุษนอนหลับตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วงหล่นก็เอื้อมมือออกไปยื่นมือออกไปจับผลมะม่วงอาการที่เอื้อมแขนออกไปนั่นก็คือ อาการที่จิตน้อมออกไปรับอารมณ์นั่นเองและการรับอารมณ์ครั้งแรกของจิตนั้นเรียกว่าวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเห็นได้ยิน ทราบหรือว่าคิดรู้เห็นนั่นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับรูปเห็นรูปได้ ย, ยินนั่นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับเสียงได้ ย, ยินเสียงทราบนั่นใช้ในอาการที่เกี่ยวกับกลิน่นรสและผลตภัณฑ คือทราบกลิ่นทราบรสทราบผลิภั์สิ่งถูกต้องคิดหรือรู้นั้นใชในอาการที่เกี่ยวกับมโนโคือใจซึ่งเป็นอาจตนะข้อที่หรู้หรือคิดธรรมะคือเรื่องราว มโนอันเป็นอาจตนะข้อที่หกนี้ก็ได้เคยกล่าวอธิบายไว้แล้วว่าสัมพันธ์กับอาจตนะข้าห้าข้อข้างต้นอย่างไรและสัมพันธ์กับจิตอย่างไรจึงจะไม่กล่าวซ้ำอีกในที่นี้ก็เป็นอันว่าอาการที่จิตออกจากพวัง ออกรับอารมณ์น้อมออกรับอารมณ์กิริยาอันนี้เองเรียกวันนาบแล้ววันน้อมจิตน้อมออกรับอารมณ์อาการที่รับอารมณ์แรกก็คือวิญญาณมีจะขู่วิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นและถ้า เป็นอารมณ์ที่เบามากจิตก็อาจจะปล่อยอารมณ์ไว้แค่นั้นแค่วิญญาณเท่านั้นแล้วก็กลับเข้าผวังไปใหม่แต่จะเทียวบว่าเหมือนอย่างบรุษที่ตื่นขึ้นมาเอื้อมมือไปหยิบมะ ม, ม่วง เขาหยิบถูกมะม่วงก็ไม่สนใจต่อไปก็ปล่อยแล้วก็หลับไปใหม่ก็เป็นอันว่าอารมณ์ที่เข้ามาก็ยุติแค่นั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่แรงจิตก็ไม่ปล่อยแค่นั้นคือเมื่อเริ่ม น้อมออกรับอารมณ์เป็นวิญญาณดังกล่าวแล้วก็ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีกอาการที่ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีกนั้นนี่เองที่ท่านแสดงว่า คงสามมาประชุมกันคืออาจักะภายในหนึ่งอาจักรภายนอกหนึ่งวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือเป็นผัสสะก็เหมือนอย่างบุตรที่นอนหลับเอื้อมมือออกไปถูกผลมะม่วงก็ไม่ปล่อยแค่นั้นจับมะม่วงนั้น นี้คือสัมผัสหรือผัสสะแปลว่ากระทบมะม่วงนั้นถูกต้องมะม่วงนั้นไม่เพียงแต่ถูกต้องในขั้นแรกแต่เพียงเบาๆเท่านั้นแต่ว่าจับหรือถูกต้อง ที่แรงขึ้นจึงเป็นสัมผัสและเมื่อเป็นสัมผัสดังนี้แล้วก็เกิดเวทนาและเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดสัญญาเมื่อเกิดสัญญาก็เกิดสังขารคือความคิดปรุง เพื่อความปรุงคิดเหมือนอย่างบุรุษนั่นเอื้อมมือไปจับมะม่วงแล้วก็นำมาเคี้ยวในปากแล้วก็กลืนผลมะม่วง ลงไปอาการเหล่านี้เมื่อเทียบกับจิตที่น้อมออกไปรับอารมณ์เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเมตนาเป็นสัญญาเป็นสังขารปรุงคิดหรืคิ ด, คดปรุงก็คือว่าเขี้ยวมะม่วงกลืนมะม่วงเข้าไปเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่ จิตนั่นเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วก็เป็นอันว่าตกสู่ผวังใหม่เหมือนยังหลับไปใหม่แล้วเมื่อมีอารมณ์อื่นมากระทบเขาอีกก็ออกจากผวังน้อมออกไปรับ อารมณ์ดังกล่าวนั้นแล้วก็กลับตกสูก่รวังใหม่เป็นดังนี้อยู่ทุกอารมณ์ที่มากระทบท่นานอธิบายหลัาดังนี้เป็นการอธิบายอย่างละเอียดถึงวิถีจิตที่เป็นไปของ สัตว์บุคคลทั้งปวงแม่วิธีจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านก็แสดงว่าก็เป็นไปอย่างนี้อาการที่จิตน้อมออรับอารมณ์ดังนี้แหละคือ น, นามและรูปก็คือ กายส่วนที่เป็นรูปรวมทั้งอาจตนะภายในที่เป็นส่วนรูปทั้งห้าข้างตน้นหรือประสาททั้งห้าก็รวมเรียกว่าเป็นรูปทั้งหมดส่วนที่เป็นนามก็คืออาการที่จิตนอกมองไปรับอารมณ์ดังที่กล่าวมานั่น แต่ว่าในการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดดังนี้ไปทุกแห่งทรงแสดงเพื่ออะไร เพื่อให้จับพิจารณาทางปัญญาหรือทางมีปัสสนาก็ตัดแสดงโดยเป็นขันธ์ห้าคือเป็นรูป เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารและเป็นวิญญาณแม้ว่าวิญญาณ น, นั้นจะเกิดขึ้นก่อนตามมิถีจิตดังแสดงมาข้างตน้นแต่ก็ตรัสไว้ เป็นขันธ์ที่หและก็ยังมีแสดงไ้ในบางประสูรถึงความเกิดขึ้นของวิถีจิตเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารเน่าเป็นวิญญาณต่อไปอีก โดยที่ไม่ได้แจกแจงถึงวิธีจิตอย่างละเอียดซึ่งจะต้องออกจากภวังแล้วก็ตกภวังไปทุกขณะจิตคือทุกอารมณ์กประสบแต่แสดงในทางที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทางปัญญา หรือทางมีปััสนาได้เพราะต้องการที่จะให้พิจารณาโดยไตร ล, ลักษณ์ให้เห็นอ น, นิจจะไม่เที่ยงทุกข์เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงอนัตตาไม่ใช่อัตตาตุดจึงแสดงจากหยาบไปหาละเอียดแสดงรูปซึ่งเป็นส่วนหยาบเวทนาซึ่งเป็นนามธรรม อ น, นับว่าหยากเพราะเวทนานั้นเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจคือทั้งทางรูปและทั้งทางใจเราจึงมาสัญญา